ส่งเพ่งพินิษในตาของนกกุนาละอยู่เป็นเวลานานไม่เห็นความแผกเพียนระหว่างในตาของนกและจักสุขของพระกุมารเป็นดวงเนตรที่งามเหลือเกินจึงตรัสว่าเราขนานนามพระปิโยรสว่ากุนาละและแล้วส่งมอบพระาชะโอรสให้อยู่ในความพิทักษแห่งพระพี่เลี้ยงและนางนมแปดนาง